Thank you.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 การประสูตรตัดสรุปและปรินิพานของพระพุทธองค์ <c oughs> ที่เราลืกถึงพร้อมๆกันทั้ง3มเหตุการณ์ก็เพราะว่าทั้งสาเหตุการณ์เนี่ยอุบัติขึ้นในวันเดียวกันคือวันเพ็ญเดือน6แต่ว่าคนละปีนะคนละปีการตัดสรุป ข, ของพระองค์เกิดขึ้นหลังจากการประสูตรนี่ิปี และการปรินิพานของพระองค์ก็เกิดขึ้นหลังการตัดสรุ45ปีิบาปีค ว, ว่าประสูตัตดสุรุปรินิพนเนี่ยนะลองใครควณดีๆนะมันมีความหมายสองด้านในด้านหนึ่งก็ที่จะเห็นถึงสัจธรรมของทุกชีวิต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 จิตของพระองค์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของพุทธคุณน ะ, ะซึ่งเรายังไม่ได้สาธยายเท่าไร่แต่แม้กระนั้นเนี่ยพระองค์ก็ต้องก็ต้องหยุดภายใต้กฎอนิจจังนะทุกขังอนัตตาก็คือว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนะก็ย่อมมีความแก่ความชาราอ น, นิจจังแปลว่าไม่เที่ยงก็คือมีความเปลี่ยนแปลง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 เราอี ก, ก็กลังชรานะก่อนที่จะถึงวันตายของเราเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์เล่านี้เกิดขึ้นนะความเสื่อมความดับของสิ่งที่รักนะคนที่รักนะฟังดูก็ชวนหดหูนะสำหรับคนที่ไม่เคยคิดเรื่องนี้แต่ว่าในอีกด้านหนึ่งวันวิสาข บ, บูชา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 ถึงเวลาที่แก่ชาราถึงเวลาที่เจ็บป่วยถึงเวลาที่สูญเสียพัดพรากเราก็จะทุกข์เราก็จะร้องไห้คร่ำครวญอะไรอาวรณ์นีจะทําเป็นความจริงที่เราต้องเห็นต้องตระหนักและขณะเดียวกันจริยธรรมก็คือสิ่งที่เราต้องบาเพ็ญเอามาบาเพ็ญเอามาปฏิบัตินะซึ่งจะนำ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 ไม่มีเพศสัมพันธ์อันนั้นเป็นความหมายที่แคบความหมายจริงๆก็คือชีวิตอันประเสริฐพรมนี่แปลว่าประเสริฐจันเนี่ยกักบคําว่าจริยะนะอันนี้ความหมายเดียวกันมันหมายถึงการปฏิบัติหรือเส้นทางวันพิสาขาบูชาเนี่ยเป็นวันที่เราน ะ, นะควรจะน้อมระลึกนะนะถึงการตรัสรู้ของพระองค์และ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 เป็นจริยาที่เกิดจากพระกรุณาคุณอันไม่มีประมาณก็ไปเจอคนคนหนึ่งนะชื่ออุปกะระหว่างทางก่อนที่จะเจอปัญจวัคคีย์ก่อนที่จะเจอชดิน3มคนเนี่ยจะเจออุปกร ะ, ะก่อนอาชีวกเขาก็ถามพระเจ้าเนี่ยว่าใครเป็นาศาสดาของท่านพระุทธเจ้าต่อรพระองค์ไม่มีใครเป็นาศาสดาแล้วก็ถามพระองค์เนี่ยนะได้เห็นอะไรบ้าง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 นะเจอความลําบากเราก็อยากผลักสายออกไปเจอเสียงดังก็อยากผลักออกไป น, นี่เรียกว่าเป็นการอยากเป็นการอยากชนิดหนึ่งนะอยากผลักใส่ตัณหาคือความทยันอยากความดิดนรนอุปทาคือนะความยึดมั่นยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราพระุทธเจ้าตัดต่อไปว่าเนี่ยนะสิ่งที่ก่อเกี่ยวยึดเหนียวว่าเป็นตนเป็นของตน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 อิ่มเอมละเรมปรีนะแต่ว่ามันก็เจอไปด้วยทุกนะต้องคอยรักษาต้องกลัวคนขโมยมันไม่ใช่เฉพาะทองทั้งหมดกุ้งแล้วนะนะอย่างอื่นด้วยจะรถราคาแพงเบนซนะ์รัมโบกินนะี่มีซื้อได้แล้วก็ไม่พอนะก็ต้องหาต้องหาหาอู่จอดรถหาโรงจอดรถให้กับให้กับรถต้องเปิดแอร์ที่นะ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 แล้วพอเห็นนะเห็นความจริงว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นเป็นเราเป็นของเราได้เลยนะปัญญาก็เกิดจิตก็หลุดพ้นนะอันนี้ผู้ย่อๆนะพนะพวกเราเนี่ยนะอาจจะไม่ได้คิดว่าชีวิตนี้เนี่ยจะตัดสร้ปเหมือนพระเจ้านะแต่ก็เชื่อพวกเราเนี่ยทุกคนรู้ดีว่าความทุกข์เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเจ็บแสบแค่ไหน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 แก้โดยการไปหาแฟนนะมันจะได้หายเบื่อพอเบื่อแล้วเนี่ยไม่ต้องไปแก้ด้วยการออกไปเที่ยวห้างจะได้หายเบื่อหรือว่าไปาไปโทรศัพท์คุยกับเพื่อนนะไปแชทนะทางไล Facebook, นะ์เฟซบุ๊กมันไม่ต้องทําขนาดนั้นก็ได้หรือถึงทำเนี่ยมันก็ไม่ช่วยให้หายเบื่อกับทําให้เบื่อเร็วขึ้นเบื่อหนักขึ้นนะคนสมัยนี้เนี่ยนะเป็นโรคแห่งความเบื่อมาก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 แล้วเกิดความเคียดแค้นเราคิดจมอยู่งั้นแหละนะไม่คิดถึงว่าเออจะใายความโกรธได้อย่างไรนะจะให้อภัยเขาดีไหมหรือจะแผ่เมตตาให้เขาก็ยังก็กลับยึดความโกรธนั้นเอาไว้ความโกรธมันดีไหมมันเผาล้นจิตใจแล้วทําไมหวงแหนมันเอาไว้นี่เพราะความหลงนะ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 เกิดขึ้นทีไรก็ยึดว่าเราเศร้าเราโกรธนะเคยสังเกตไ้มว่าเนะียเวลามันเกิดความโกรธความเศร้านะความเกลียดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เกิดเฉยๆนะเราก็าไปยึดมันนะเป็นผู้โกรธผู้เศร้าผู้เกลียดนี่เรียกว่ายึดว่าเป็นเราเป็นของเราและที่ยึดเพราะอะไรเพราะหลงนะเพราะไม่รู้นะถ้าเรารู้ตัวเนี่ยนะนะ